มันมันทำให้เศร้าใจนะไปสถานที่ต่างๆดูสภาพของวัดของวา ม, มันเลยเป็นเกาะดอนกั็คอยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วและสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนในหะ้พอได้หายใจนะมั้นหมดจริงๆนะ ความภาความเพียรนั้จะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นนะเรื่องที่เป็นกิเลส น, น่ะเป็นจุดที่สนใจมันเป็นไปงั้นนะเดี๋ยวนี้พอแม่ครูอาจารย์ท่านพาดําเนินท่านพา อ, อ, อยู่นะโอ้โมันลาบเรื่องจริงนะไม่มีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องเลยนะมีแต่ความเพียรเต็มวัดเลยเต็มพระเต็มเนม นี่จะเปี่ยนดังนั้นพอฉันเสร็จแล้วนี่ล้างบาตล้างอะไรบาตรตะเกียบไว้แล้วก็หายเงียบเปยเข้าป่ามดเพราะวัดน้องผือมันโลง่งบ้านบ้านน้ำมนก็โลง่งแต่มีป่าม่านโคกก็โลง่งขลางวัดแต่มันในป่าในป่าอยู่ภาพ อ, อยู่ในป่าในป่าผมก็อยู่กับท่านแค่เหล่านี้นะ ตอนที่ท่านมาอยู่สักคนในนั้ น, นผมก็ไม่ได้อยู่แต่ก็พิจารณาเทียบย้อนหลังก็ได้นี่ท่านเคยดำเนินยังไงท่านก็ดำเนินแต่ความเพียร น, นั้นเทียบไม่ได้เท่านั้นเองเพราความเพียร น, นี้จนความเพียรวัยแก่ความเพียรของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยแต่ตอนที่ท่านบำเพ็ญั้นท่านโถใครยึดไปความเพียรกล้ายิ่งกว่าพ่อแม่ผูจารวะผมสืบเรื่องราวท่าน ท, านทราบได้ดี เข้มพ้นทุกอย่างปิยาอาการเพราะท่านเป็นนิสัยอาชาในองอาจกล้าหารคล่องตัวนอนแป่มาแล้วท่านความเปลี่ยนทัน ก, น ก, นกน็ยังมีเป็นประจำตอนเช้าพอออกจากที่แล้วท่านจะไปทุกวันยุมยังไม่เห็นมี อะไรที่ขัดข้องท่านไม่ท่านไปเดินอยู่กมตอนเช้าเพ่อมีญาติมีิยมอะไรนี่ไม่เห็นมีเพราะแตก่อนก็ไม่มีญาติโยมท่านก็ไปอยู่ในฐานที่ไม่มีญาติมีิยมประยุงท่านแล้วทางรถทางลาก็ไม่มีภายไปก็เดินไปทั้งนั้นทางบ้านอมนี้ก่เดินไปทางถนนทางมีที่ไหนทางรถทางเกวียนนบ้านโคกเหมือนกันนาทินวนยิ่งแล้วอาทินวน มีแต่ทางคนไปหากันมีทางทางเปลี่ยนก็พอเป็นเงาเงาไปเท่านั้นเองนั่นท่านยูอยู่งั่นบันนาลนวรก็มีสามองค์สี่องค์ไม่มากนะเพราะท่านชอบอย่างนั้น่านหาอย่างนั้นมานนองผือเนี่ยมามากเพราะท่านแก่แล้วท่านไปไหนไ ม, ไม่ได้แล้วท่านกับเลยอยู่นะ่น ผ้านเนีนก็ลังไหลเข้าไปคุทงท่านที่เดินนั่นแหละอ น, นี้เราพูดถึงเรื่องความเพียรของท่านมีแต่เรื่องความเพียรเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นว่ามีแต่ความเพียรพอชันเสร็จแล้วก็เข้าป่าใครอยู่ที่ตรงไหนาตังกรมอยู่ในป่าลึกๆป่ามันกว้างแสนกว้างนี่ใครจะไปทําที่ไหนก็ได้แต่ว่านี่ก็แคบยิง่งแต่ ป่าไม่ได้แคบป่าเป็นดงจริงๆ น, นะน้องผือเนี่ยเป็นดงเลยเจ้าเพราะขึ้นเลยว่าผ ม, ผมไปทําทางกรมในป่าลึกตามนิสัยของเจ้าของอะที่เคยพูดในฟัทงทำอย่างนันไมใ่ใครรู้เลยเดิยนยุ่งกรมในป่าทางก็ไม่มีนะเออไม่มีทางเข้าไปนี่ขโมยก็ไปอยู่ในป่าเดิยนดยุ่ผกมตั้งแต่บางทีมีพระมีเด้น หลงทิศหลงแดนอลไรก็ไม่รู้เราเข้าไปไปเจอเนี่ยมาทําไมานี่ขู่หลงทิศไปเลยโ <c oughs> อ้โหพระเนอยากจะวิ่งคใช่ <c oughs> ปกติพรเนรก็กลัวผมอยู่แล้วเนี่ยอยู่น้องผืมาทะลึ่งผมได้เมืไรก็กลัวรองพ่อแม่ของอาจารย์ลงมาแล้วกลัวจริงๆพรเนรเพราะเราไม่มีอะไรให้มาทะลึ่งเราเนี่ยทุกอย่างเราทําของเราเต็มเมตโตหน่อยว่าอะไรเรื่องข้อวัดปฏิบัตินี่เราพูดถึงเรื่องความคล่งตัวนี่ ผมพูดจริงๆแล้วผมค่องที่สุดแหละทําอะไรนี่ผัผมเพราะวารวดเลยเพราะนี่สัยอย่างนี่นี่แต่ความว่าปฏิบัติก็เรานําหน้าอยู่นั่นเราต้องเป็นผู้นํานะนี่ที่มันต้องทุกน้อบอกอะไรแล้วเราต้องนําหน้าปัดกว่าก็เราลงก่อนลงก่อนตอนเช้าเอาปัดกว่าก็ลงก่อนเพราะน้องผือเห็นว่าผ้าอยู่ดิเนกด้านๆนั่เป็นหน้าเป็นหลังแล้วเพราะนักเระพุ่งก็เลยพาปัดกว่าตอนเช้าตามปกติท่านปัดตตอนเย็นก็ปัดเฉพาะบริเวณมุ่ติท่านก็เราไปทําเอง นี่เห็นว่าผานเนี่ยมันเด่นดันด้านอยู่ดูแล้วมันขวางตาก็เลยพาปัดกวาดใช่เขาหน้าดูอะตอนเช้าลงปัดกวาดเราลงก่อนแล้วลงก่อนแล้วอะไรอะไรเราก็ต้องออกหน้าออกหน้ามันก็หนักองไหนไม่ท่าทางไม่เป็นท่าแล้วมันขี้อยู่ดีว่าไงไม่กลัวได้เหรือขี้อยู่ลงทิศไปนั่น พ่อนไปกดไปถ่วงพ่อแม่กุูจานทร์ไปไปเองนี่เออมันมีใครขันตีนิมนต์ไปแล้วไปเองไปแล้วไปเป็นเบือขวางท่าอยู่นั่นเออเป็นทพีขวางหม้ออยู่นั่นมันก็ขวางไปทั้งวัดสิโดดเอาสิทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคอยแนบนําอยู่ตลอดนะ พอทันถือเล้าเข้าป่าเงียบเลยท่านก็ขึ้นพุติมันเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่าเงียบโอต่างองค์ต่างเงียบในกลางวันเหมือนไม่มีพระเนินนะเงียบไปหมดเลยนี่นี่เฉพาะน้องผือที่พระเนินมากนะก็เป็นอย่างนั้นมากก็จะมี มากเป็นเวลาตอนปัดกวาดก็มารวมกันปัดกวาดคนน้ำก็ดินนตุมสียหายจากนั้นแล้วก็เงียบเล่ถ้าทํานมาประชุมก็เงียบมีแต่องค์ไหนที่ขึ้นคืนขึ้นแบบท่านเข้าไปสององค์สามองค์ไม่มากนะเราก็ไม่ได้ไปทุกคืนเล่นบ้าง คือเราไปแล้วท่านจะพูดธรรมนะนะรู้สึกท่านเมตตาเป็นพิเศษพอเราไปเพราะไม่ท่านไม่พูดเราก็มีเรื่องที่จะท่านให้ท่านพูดจนได้นั่นแหละมันห้งมีบางทีท่านก็บอกเบ้งขึ้นพวกคนอื่นก็มาแอบฟังตอนเช้าก็พอได้เวลาท่านก็ลงออกมาแล้วก็ ข้าวทยงกมฉะนั้นขึ้นกุติท่านผมไม่ค่อยขึ้นเะเพราะท่านได้บอกผมก็จํำมาไว้เลยเพราะท่านบอกด้วยความจริงใจนี่บอกเออผ้าที่มีความสามากไม่ต้องมาอันนั้นตกระดาษรอกให้ปกผ้าละไรน้อยอายุความสามารถน้อยเ น, นี่ยมาทำข้อว่าปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีความว่าปฏิบัติติดตัวแหละทันหว่างนั้นผูู้้มีครามสามากเป็นไปเพียงว่าคอยดูอยู่ข้างนอกทันหว่างอย่างนี้ผมไม่ไลืมี่ ไอ้พระหนุ่มเนียนน้อยมาเอาของลงไปมาทําธนหลังลนั้นมาผมก็อยู่ข้างล่างผมไม่เคยขึ้นปัดกวาดเสร็จแล้วผมก็รอดูใครเอาของลงมาหนะ่ยบางทีท่านกบ็บางทีท่านถึงกับถามเหมือนกันนะธนหลัามาไหมนี่ละก็ผมรู้สึกท่านจะมีอยู่เรื่อยเรืเรื่องอะไรอะไรก็ดีมาอยู่ข้างล่างห้องไม่ขึ้นมาถามเท่านั้นแหละเพราะผม าบางวันผมก็ขึ้นถ้ามันมีอะไรอะไรที่ควรจะขึ้นผมก็ขึ้ น, นถ้าไม่มีอะไรเหลือเกินมากผมไม่ขึ้นผมอยู่ข้างล่างดูอยู่บันไดถ้าเอาอะไรลงมามาเพราะผมสั่งแล้วว่าไม่ให้ก้าวก่ายกันใครเพื่อเคอยเอาอะไรให้เอานั่นนะะเราเป็นคนสั่งทีเดียวสั่งทีเดียวเพราะนั้นเราต้งคอยดูแล้วคอยแนะคอยแนะอยู่เรื่อยๆพอท่านลงทางกลมแล้วเราก็ไปหลังนี้ บางทีเราไปก่อนเห็นว่าของผ้าเนียนของนั่นเรียร้อยแล้วไปท่านเดินยังกรมตอนเช้าประจําผมไม่ปรากฏเลยว่าท่านได้ขาดการเดินยังกรมตอนเช้าเพราะมีเรื่องราวอะไรอย่างนี้มันไม่มีนี่อยู่ในป่าเป็นอย่างนั้นทำาเสร็จแล้วแล้วก็ออกน้ำออกอะไรไปวางไว้ส่วมท่านท่านต่อมาก็ผ้าเนีนก็ ทำแทนเราเนี่ยเราทำนาหน้ า, างี้แหละอะไรก็ดีส่วนเมือท่านเป็นยังไงไปดูตอนบ่ายบ่ายสามโมงท่านออกจากที่ยังไงบางท่านจะขึ้นบ้างก็ขึ้นบางทีเหมือมากคงไม่ค่อยขึ้นนะทนานถ้ามีทุละจะไปขึ้นตอนห้าโมงเย็นบ้าง ไปขึ้นนตอนขั้นขึ้นจากทางยังกรมขําบ้างไงมีอะไรก็พูดมีจะทำล้วนๆน่ะเนี่ยที่มันอัศจรรย์นะท่านไม่พูดเลยเรื่องการก่อการสร้างเรื่องอะไรๆท่านไม่พูดถึงเลยมีแต่พูดถึงเรื่องความภาคควาเปรี่ยบมันทําให้จิตใจของเรามันรื่นเรงนิงตาตรงนั้นตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องการบําเพ็ญของท่านสร้างบ้าง่ะเนี่ยที่มันน่ารื่นเริง แล้วไปอยู่ตรงนั่นตรงนั้นขอท่านไปอยู่ที่ไหนนเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสนะไม่ใช่ท่านท่านตั้งใจเล่าเรื่องมันไประทับผัสท่านก็พูดไปพูดไปเราก็คอยฟังจ่อตลอดมันเพ้อเนาะเวลาท่านพูดนาะอยู่ตรงนั่นตรงนั่นไปภาวนานดีนี่เรื่องว่าไปอยู่นั่นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรทางเชียงใหม่นี่ยท่านพูดมากอยู่นะเชียงใหม่พวกนี้เป็นพวกคนจัดคนซื่อดีเขาว่าไงก็เป็นอย่างนั้นยิงนะพวกนี้นะเขาว่าะ อยู่เขานี่แสนสบายเข า, เขาไม่มาควรท่านเขาไม่มาควรมาแต่ตอนเช้าคนสองคนแล้วกันบิดตบบาทเขาได้แล้วก็ใส่ให้ใส่อยู่เขาสบายสะดวกการภาวนาไม่มีขาดวักขาดตอนชั้นวางไปทางไหนทางไหนท่านเล่าใหฟังหมดแล้วที่ท่านไปจุดกระทั่งถึงข้ามระฝั่งแม่น้ําขงท่านเล่าให้ฟังเราฟัง นั่นนั่นมันมีแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังเลยเลยหลายปีหลายเดือนมันก็มากก่ามากอนี้เพราะท่นเล่าไปเล่าคนเดียวเนเล่าวานันทั้งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งบ้านหนึ่งเล่าทั้งนั้นเรื่องเราไปอยู่ยังไงต่ อ, อยังไงความเป็ะไรจากนั้นก็พูดถึงเรื่องพุทธการทั้งพุทธการ ภาษาวกท่านองนั้นเป็นอย่างนั้นองนี้เป็นอย่างนี้เพราท่านรู้ไปหมดนี่ท่านค้นประกายพิดุกเล่นเมื่อไหร่เือมันเคยเล่าให้ฟังคนประกายพิดุกสองครั้งเท่านั้นท่านเอาจริงเอาจังท่านว้าเวลาว่างๆคนประกายวิดกุกมันเพลินนะเพราะมันมุ่งต่อทำอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยท่านพูดด้วไหนมันเพลิน ม, มันซาบไปแล้วมัน มันเค้าไตามนะบางทีผมตั้งแต่อยู่นู่นออกไปอยู่บ้านโคกน่อผมน้ําตาล่วงนะเวลาท่านทุกท่านลําบากแล้วท่านพูดถึงเรื่องอวาอจประหาดใจของท่านเวลาท่านได้ผลนี่น้ําตาร่วงทั้งสองอย่างนะผมอยู่กับท่านทีแรกก็ห oh. งั่นดีนั้น อยู่ที่มันระบาดลําบนที่ไหนนั้นเล่าให้ฟังมีแต่ไม่แต่เครื่องปลูกใจเลยนะท่านพูดเรื่องอะไรมีแต่เครื่องปลุกใจเพราะท่านไม่ไม่ได้พูดเรื่องอวุ่นวายวุ่นวามีแต่พูดเรื่องการบําเพ็ญเพียรเรื่องความวาอุดยาเนี้ท่านท่านรู้สึกว่าท่านเด่นมากนะท่านพูดสัมผัส เวลาัผสท่านก็พูดออกมาไปอยู่แถวนั้นแถวนั้นไงยิ <c> ่ง <oughs> พูดทั้งบ้านนามีนายอยู่ดังนี้ยื่น <c oughs> ไปไปบินตบัดมีต่เก้าเเป่าแล้วเขาว่าพระธรรมกำปั้นท่านไม่ฉันไม่ฉันปลาหวังเงนฉันแต่ถั่วแต่งาที่เขาก็มีถั่วมีงาส่านางงิ น, นะพูดกบกันก็เข า, ขเขามีถั่วมีง า, งาก็มีต่้าเอเป่าเขาเก้ากินต่เก้าเเป่าเลยส่นวนา ก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แนะทางนี้มันพูดแค่ไม่ผูดตำแหน่งเขานะก็เราไปหาอย่างนั้นเขามีแล้วก็ทําตามประษาของเขาเห็นว่างก็จะไปรู้จักอัดจักทารู้จักควรว่าปฏิบัติของพระยังไงเขาเป็นโรคล้วนๆอ่างนีพระไปปวดเขาแล้วนะว่าดีจีเห็นว่างกันแน่จริงๆท่านเขาก็ทําไม้ให้ท่านว่าท่านเล่าข้างบนแหละพอทํามามีละยุนนั้นมันสัตว์เสือชุมบางทีเขาบอก เขาท่านก็นพูดถึงเรื่องว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแถวนั่นมีท่านก็เล่าสั่งคือเสือมันมากคนไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีแล้วมีอายุ ม, มีกี่หลังคาเรือนนั่นไปอยู่ในป่ารลึกอย่างทุกวันนี้มันก็มีบ้านไปหมดแล้วเนี่ยป่าก็หมดแล้วมปอยู่งันเวลาเขาเขาเขาเป็นห่วงเราทาันเวลางนั้น เขาก็เอาเอาไม้นี่ยเอาไม้เปาะไม้แปะเนาะธรรมดามาทำเป็นไม้เท้าแล้วเขาก็เอาไม้เอามีดสับตรงนี้จะให้ไม่ได้ยินเสียงเคาะนี่แป๊กปักแป๊กปลาก็ตามทางัทำกุ้งจะไปเจอหมีเขาเพราะหมีนี่ถ้าเจอคนเนาขนาดสามวาสี่วานี่มันมาอยู่นะโดดมากัดคนส่วนเสือไม่นะถ้าไม่จนกล่องจริงเสือนี่ไม่ทํา ใกล้ขนาดนี้มงก็ไม่ทำโดผึ้งเขาป่าปเลยทีเยวไปเลยนอกนอกจากมันจนกรอกมันจะมาทำซะก่อนถ้าคนเสียท่าแล้วมันก็ไปหรือเสือลำบากแต่หมีนี่เถื่อนมากหนึ่งขนาดถังน้ำายังมานะไปเจอคนมาตะปบแล้วกลับนี่ะเขาวิตุ ก, กับท่านเขาทำให้เราก็เอาสนล่างกันถือไปงั้นแหนะก็ถือไปงั้นแนะ เสือไม่ไม่เจอมันง่าย่ะเสือท่านว่าพอมันสติดีแต่หมีนี่มักเจอหน้าต้องระวังมันล่ะเขาบอกเขาเป็นห่วงมากาเพราะหมีมันก็เยอะเสือก็ชุมนี่ตอนที่ท่านไปพักอยู่บ้านน้ำมินายุงนั่นก็มีแม่ชีสามคนไปนี่จะท่านเล่าให้ฟังแม่ชีคนหนึ่งก็เป็นภรรยาของหลวงปู่พรมเราเนี่ยที่ออกจาก ชละนะสมบัติให้ทานหมดประกาศให้ทานเพราะเป็นคนมีฐานะสําคัญอยู่คนหนึ่งนะหลงปูป่ผมไม่มีลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยทานเพื่อเจ็ดวันตันวะประกาศให้คนมาเอาทานอะไรให้หมดนะ่ะเสร็จแล้วก็พัญญาก็ออกทานท่านก็ออกทรันงนี่แหละแม่ชีคนนี้แหละบวชแล้วก็ไป ท่านท่านคงจะอะไรลำบากท่านนะท่านไล่เขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับท่านไิพัอยู่บ้านาน้ำหมีนายูงมนเลยได้ให้ญาติโยมไปทำห้างให้เขาหนุนสูงๆให้เขาอยู่ได้สามคนเพื่อพ้นจากปากเสือพุดง่ายงเสือโดดก็ไม่ให้ถึงแล้วก็ททำแล้วทาพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไป แล้วสั่งบอกอย่าคำแล้วจะลงมานะท่านว่านั่นฟั ง, ฟงสิผมไม่ลืมนี่ท่านพูดเสือไม่กลัวผู้หญิงนางเพราะทำมันทํานะวาเงเนี่ยคนผู้ชายมันมีกลัวบ้างแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะท่านว่าแล้วไปอยู่กี่คืนไปสามคืนหรือกี่คืนท่านเลยมาไล่เองเลยบ้าไปมันไม่ได้แล้วเราเป็นกังวลท่านว่าเนี่ย ไล่มาเลยไปไปมันให้อยู่มันเป็นกังวลมันว่าเขาไป ท, ท, าทําอยู่ทางท่านไปอยู่ทั้งถ้ำโน้นแล้วเขาไปทําเขามาทําย่านกลางทางแหละให้พวกนี้อยู่ทําห้างฝากบ้านมาท่านเลยไล่เอาท่านอาจจะแปรเมตตาแล้วเป็นกังวลหลายอย่างท่าที่นี่าแล้วมาพกบกับแม่ชีคนนี้มาเล่าให้ฟัง พระีที่บ้านนาชิโนนจะไปหาท่านอตอนนั้นท่านกำลังดูเขาทำบุติระเลืยดอยู่หลังหนึ่งท่านยังไม่มาแล้วเมืเ่อคีนันมาไปถึงนั่นผมก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้ถามนะเนะทศที่จะเล่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านไล่นะ่ะมันก็เข้ากันได้เลยกับท่าน <c oughs> ท่านไล นี่แหละมันได้ความมันทั้งสองทั้งท่านเล่าทั้งเขาเล่ามันโอ้เสือชุ ม, มจริงฟังว่าตอนนั้นไม่ไมกลัวคนมันบอกว่าเสือไม่ค่อยกลัวค น, นกต่ผู้หญิงไม่กลัวว่างินพอทำมันจะทำวมา่นานะอี่ท่านลำบากบินทบากก็ไกลพอประมาณ ดูว่านายมีอยู่กับถ้ำที่ท่านอยู่ผมมองไปนั่นเระบอกว่านั่นแหละถ้ำ ท, ที่หลวงปู่มั่นอยู่แต่ผมต้งไม่ได้ขึ้นไปดูนะโห้ห่างไกลอยู่แต่ที่นีนบ้านมันเขาลูกลามไปนี่สิไม่ทราบว่าบ้านเดิมจริงมันอยู่ตรงไหนสิอันนี้มันบ้านมันลามปามไปหมดน่มันลูกลามไปทุกแห่งทุกหนนี้เลยไม่ทราบว่าจุดบ้านเดิมที่ท่านมาบินธบาตอยู่ตรงไหนแต่ถ้ำมองเห็นอ พมมภูเขาแถวนั้นก็จะไม่มีเสือไหม่อาท่านไปอยู่ฟังด้ข้างถ้ำทุามันมากไหมอาอยู่ขีงบังบังอ่ะไม่โหดใจเง เออคัมบางคออำเภอบางผือเนี่ยมันมีหมู่เพื่อนะว่าัมเพื้อหาอยู่ของคัมกับพ่ะพ่อเพื่อมันง่าฟังอ่ะไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นงนันอเู่ที่ตรงนั้นเปรียงนั้นขางเล่าสังหมดนี่กำลังใจใจขี้หงายประการขี้ใหญ่มากคือคือ่ํามขยุติการขี้ข้าง่าใ้ังรน้ผมยงไปดู ไปดูสภาพกรรไถ่กลางกับข้างย่าหมา่มันเป็นคนโลกเลยโอ้โหนั้งย่าแก่นี้ก็โกโหโกเขาอยู่กในใจะภาพคือเป็นอย่างนี้ข้างย่าว่าเป็นอย่างนั้นั่นนะรอบขามเขาเอย่างเรื่องมันงามันอไมู่้ว่างี้ไม้เงยม น, นเป็นเหง่มันว่าข่างเงา ปู่ย่าพ่อแม่ของไม้ของนี้ถูกอเขาตักข้ยลงไปลยไปิ่งเขาขายไปทางญี่ปุ่นแล้วบาครั้งลูกมันก็ไม่เหงื่อเดี๋ยที่ยังอานยไม่เหงื่อเขาบอกผมถึงจะลงใจนะอร้านไม่ยเหงื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาติเขาาไปม่ะ ตเนเข่าดย่เขาว่าแกไมหมดน่ะเาว่าองยิงได้ลงใจนะนาแล้วก็มาเอาไปเอาชนนเนี่ยก็ใช่มันจึงไม่มีหัวอริปลูกมันก็หมดเนี่ยฟังดิมีแต่หลานอันนี้ก็อย่างที่ว่าอย่เนี้ยก็มาตั้งอยู่บนเขาหลังไงอันที่พูดเทศะกี้เนี่ย ผมลุ้นสุดสังเวชโอ้ ย, โออย่างนี้เองมันสมบัติอะไรภาษาที่นั้นเขากระทวนหัวใจของชาวพูดรวมถึงพ่อประเทศไทยเราไปทําอย่างนั้นได้นะ พระก็ังยังเห็นอยู่อู้เล่นเขาอยู่เฉยๆไั่มีทางนก็มีเขาอยู่เฉยเนั้นอรินมากอยู่งู่หลวงู่ก็เพระตายไปแล้วสี่อ ป่าที่มันหนาทึบสิจำกู น, นะต้นไม้ใหญ่แล้ ว, ลวก็มือภูเขาไปนูนทันว่ะแล้วภูเขา ม, มันมันก็ยื่นออกมาเนี่ยที่ันอยู่ทางสายกลางโอ้ท่านเล่าละเอียดเราเวลากลางยิงวันเราหนีขึ้นไปนู่นทันว่าขึ้นไปอยู่ทางนนชมนชมป่าอยู่นู่นทัน่ะเป็นเย็นนึจะลงมาอุ่นลกันไปนั่งในร้านกาแไปหมดกันว่างนั่นนะ อยในก็สตริย์หมดว่าป่ามันทึบป่าใหญ่พวกดืนข้างบางก็มีโอ้แต่ม่มหมดเลยกันวางกันนะเยอะเยอะเยอะไม่มีใครไปแจกไปเไปจ้าประยุทมมันเลยว่านเขาว่ากันวางกันนะลงไปก็หลัอองป่าทึบันไม่มีเลย มันนาตรามันเป็นเหลนของไม้วางงั้นนะท่านอยู่ฟังด้ว่านผู้บุกเบิกทางให้พวกเราได้เดินท่านนั้นท่านลาบากมากนะพ่อแม่ของจันมันนี่ถึอท่านลาบากมากท่านสรุท้งสามหัต้องเค่ผมฟังแต่ม่ใช่ในข้างเดียวนั่นนะมันต่างต่างวาระกัน สมมติเเป็นไข้กันลังคนเปนคข้เขาไ ม, ม่ยอมนอนท่นสู้กับทุกขเวทนาน้่งทอนาเลยนี่จนล้มลงมารู้ตัวทั้งวันนะยังไ้นนะล้มลงมารู้ตัวพอรู้ตัวมันนานี่แล้วนันเปนน <laughs> ็นอย่างนี้คลัุกขึ้นม่นแบเป็น้งาครั้งกันหน้แต่ไม่ใช่ ป่วยครั้งนั้นทั้งสามคนนะมันป่วยต่างวละกันก็สู้เหมือนกันล้มล้มสลบลงไปมันถึงล้มไม่สลบมันล้มได้ง่าขาดเพราเวลาล้มเราไม่รู้เลยคนวางนั้นนะเามันสู้อยู่พอรู้ตัวมันล้มนะนี่งฟังดนความกล้าหาาใจยกให้อราท นิสัยท่านให้บอกมดอากาศียางท่านเป็นนิสัยอาชนายนิสัยหนักสู้คุณยางไงนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากนิสัยท่านบอกหมดในกิยาการนั่นบอกมองดูก็เข้ากันได้ปั๊บปั๊ปับเลยรานี้มันเป็นการปลุกใจเท่านั้นปลุกใจเราผู้ปฏิบัติข้ามเราถึงได้ ก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็ดีเพาะว่าจะจริงไหมที่นี่พอฟังท่านหมดทุกสี่เรื่องหายสงสายแล้วโลงมโหฬารเพราะท่านอธิบายมาเหมือนกัว่าถอดออมานี่นะ่ะนี่นะ่ะเห็นว่านะีนะนะ่น่ะเห็นว่านี่นักว่างนก็หมดพอหมดแล้วที่นี่ผมย้านมาถามในของนี่นีจะจริงไหมที่นี่วะจริงที่วางนั้นเลยนี่หนักวังดูจริงที่ว ะ, นะวะตั้งแต่ บ, บัดนั้นเลยนี่ก็เป็นอย่างว่าง นิสัยผมมันเป็นนิสัยที่ผาดโผนมากอยู่ใต้พิจาเราแต่ผมก็ไม่าำนี่ยนะถ้ามาอย่างนั้นมันก็มาเป็นอย่างนี้เนีะมันมีเครื่องรับกันอยู่อย่างทุกวันนี่มันทำมาได้แต่อย่างที่นายอนหลังน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ทําทั้มันได้เพราะความมุ่งมั่นนี่แหละมันสําคัญความมุ่งมั่นมันแรงจริงๆ ชีวิตขนาดีวมีชีวิตไม่มีความหมายฟังดิจะให้ได้หนที่เคยพูเอาให้ได้ม่ไ้ตาก็ตายหายงสัยแล้เวนี้ท่านเทศน์ในฝังนี้หายงสงสแล้วมักยุผ่านไม่มีชี่ตสงสัยแล้วเวลาเรากินไม่กินทางเราจะให้ได้เนี่ยวะ่ะ น, นี่มันก็หมุนเตี้ยวนี่สายเป็นส่สายผาดผมผม ว่าเป็นไปทางโลกนี่ก็กนถ้าจิตเป็นไปทางอันตรพานนียโ้โหมันจะเป็นเสือใหญ่มาก่อนนะผมนี่ยนะใครว่าเร่องน้นัาค่าจริงจริงถ้าลงมันเด็ดนะแต่นี้มันไม่ไปทางนี้ใสัมนไม่ไปเอ้ามันไปก็มันเป็นได้ไม่สงสัยเหมือนม า, มาทางนี้เยอะเลยเลยทุ่มันใหญ่คังนี้นะ ไม่ลืมมันทุกข์มากขนาดไหนนนั่งสมาธิภาวนาตลอดลุ่มนี่ใหม่ทุกข์มากจริงนะเหมือนกับว่าร่งางกายเรากระดูกทุกท่านเนี่ยมันต่อกันตรงไหนไหนเหมือนกับว่ารู้หมดเลยกองทุกข์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันเจ็บมดกระดูกไหนชิ้นไหนต่อกันอย่างนี้อย่างนี้ข้อมูลอย่างนี้นะอันเพียงเรานั่งเร า, เราภาวนานี่ไอ้มือไอ้เนี่ย มันถูกอว่านี้ทับกันนานมันออกร้อนเนี่ยมันเป็นที่ป้าถิวไปแล้วบอเวลาอันนี้มันขึ้นเนี่ยก็ดูข้อมือข้อมีอะไรนนี่เราเนี่ยข้อแขนมันเหมือนกับมันจะคันนะทุกขนาดนั้นนหะแต่มันต้องการที่จิตมันเหนือนั่นสิมันที่จะเอามีอยู่เนี่ยมันจะจะเอาให้รู้นอันนี้ก็ไม่มีใครบอกแ้ะมันทาเป็นหุจิตเองนะ ขอที่ว่าอริยจักรเป็นของจริงนี่จริงยังไงเนี่ยมันไปรู้มันเองนี่แหละที่ที่มันไม่ชอยกันเนี่เหตุที่มันจะรู้เอาทุกขนาดไหนเอ้าดูมันนี่เนี่ยมันจะเป็นกันว่าอันไหนจะดับก่อนดับหลังตายก่อนตายหลังให้มันรู้ก่อนนี่แหละมาเราก็ไม่รู้ว่ารู้สมุดรู้อรยสัจนี้ยังไงนะก็เราไม่เคยรู้นแต่มันสำคัญมันมันมีกิดอันหนึ่งที่พาให้เป็นมันเด็ด เอาทุกข์ขนาดไหนให้มันเห็นอะไรตายก่อนตายหลังมันเห็นอะไรมันมั่นคงให้มันแตกไปให้เห็นนี่วะเอาทุกข์ขนาดไหนให้มันเห็นมันชดคิดชดเดินเวลาจะตายยิ่งมากกว่านี้ถึงขนาดตายถึงตายได้เงี้ยเดีวนี้ยังไม่ถึงตายนะเอาจะตามบูดวงทุกดูด้วยปัญญาเวลาทุกข์มากขนาดไหนในนี้ส sure ต yeah. yeah. no. ิปัญญามันจะหมุนอยู่ที่มันไม่อยู่เฉยไม่จะทนอยงเงี้ยไม่ใช่เราทุกข์แล้วทนเฉยนะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พิ่นาอวิสสัต สติวัญญาณยิ่งหมุนขอมันยิ่งหมุนขอมันเทียบนี่นเทียบนี่ว่าโอ้สอย่างที่ อ, อมาเท่งมันยิ่งมันเทียบของมันสุดท้ายนก็นรู้เวลาเรารู้แล้วโอยทุกเกษัตริย์ว่าทุกท่านกายเกษตรว่ากายกระดูกเนื้อหนังอะไรที่วามันเป็นทุกข์มันทุกแต่ก่อนที่ไป็หมาว่ามันเป็นดูด มันสัต่ว่าสัตว่าทุกสิ่งที่อยากสัตว์ว่าเพราะใจนี้ไปหมายตามนี่เขามาหาใจพี่ใครบางคนไปว่ามันไล่เขามาถึงใจถึงใจหนึ่งถึงกายหนึ่งถึงทุกหนึ่งกายัเส่วนใดที่มันหนักมากมันพิจารณาตรงนั้นนั่นแหละเรียกว่ากายย้นหน้าย้อนหลังเทียบเหตุเทียบผลไม่หยุดทุกข์มากเท่าไรมันจึงไม่ถอยปัญญามันยิงหมุนติวติวติวคือ ท, ท, ท, ท่ามก็รู้ รู้ก็ไม่มีไม่เคยมีใครบอกนี่อืึมมันก็รู้เพราะอันนี้เองมันหมุนนี่คือหายไม่หายไม่สนใจเนี่ยก็จะจะรู้เรื่องของมันนี่มันจะยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทั้งเป็นทั้งมันเวลามันจะรู้ของมันอ่ะอ่ทุกเวลามันถ้ามันถึงสี่ถึงเด่นจะถึงขั้นตายเขาให้เห็นในเวลานั่งอย่างนี้อ่ะอ่ะเวลาจะตามันจะหนับจิ้มก้นนี้ถึงขนาดตายนี่ตายได้เดือนนี้ยังไม่ตายเอาให้มันเห็นหนึ่งอย่า แล้วปัญญาเราก็ยิ่งดักหน้าดักหลังที่นาเทียบเทียงไม่หยุดนะทุกข์มากๆนั้นเราไปยืดได้ไหมข้าหาอย่างเห็นก็เรียกว่าหาทางออกคนเราจะเตรมกรอกไงเวลาทุกข์จินนั่นเรามันเกิดปัญญาวันถึงเด็กกล้าพูดได้สยี่ฟาดลงไปฟาดลงไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมายิ่งเป็นจุดให้เราสนใจมากขึ้นมากขึ้นอดี๋ยที่ที่เนืยมก็บรูขมันก็แบบโหเบื่อรลูแล้วอ๋อทุกวันคะ ทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้ให้เป็นภัยต่อผู้ใดมันก็เหมือนไฟมันร้อนๆนั่นตัวไฟเองมันก็ไม่รู้ความหมายมันว่าร้อนนี่ทุกมันก็ทุกทุกมันก็ทุกอยู่นั่นมันไม่มีความหมายมันว่าให้ทุกแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่แทปที่จะรู้ถึงข้อชันดาไปหมายว่ามันเป็นทุกอย่างนั่นนี่่ะมันหดตัวเข้ามาถอนเข้ามาพิจารณาแล้วยื่นเข้ามาลงมาจนกระทั่งถึงใจมันก็อยู่ชั้นอยู่กข้าใจไม่ออก ไม่ใจกระสับแต่ว่ารู้นะกายสัตว์ทวกายทุกสัตว์แว่าทุกต่างอันต่างจริงนี่นั่นเมื่อต่างอันต่างจริงมันก็ไม่ก็ครบกันสิมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ดีได้สบายย้มได้เลยน่ะนั่นมันไม่เข้าถึงหัวใจได้ต่างอันต่างจริงกายเราหยุ่นเขาไงเขาไม่เห็นรูปความหมายไม่มีความหมายะว่าเขาเป็นทุกเราไปเสกประชันเขาเฉยๆแน่เมืวลาเรารู้รู้มัน แต่มันจีนมันอัศจรรย์นะรู้อันนี้นะโถอัศจรรย์ค่อนข้างที่อ ว, วิชามีอยู่นะอัศจรรย์เต็มขั้นของมันนั่นแหะในภูมินั่นเนีลยผมยังยเรื่องไม่ได้ว่าผมนั่งตลอดอลูกนั้นอะ่ะวันไหนที่ผมไม่ได้ความอัศจรรย์นี่ไม่มีฟัดเป็นเพียงว่าช้าเร็วนี่แหละร่างกายบอบช้ามากเพราะลงช้าลงเร็ว ถ้ามันจับกันได้ปั๊บปๆ๊เนี่ยไม่นานนะผิดหลงรอบอริยสัจ ร, รอบกันเลยก็อยู่แย่านั้นไม่มีอะไรไม่มีความหมายเริ่มทุกข์จะมาทรมานใจกายก็ไม่มีอันถึงว่ามันดูกับติดหนาหวะนั่งเวลาเท่ากันถ้าวันไหนมันลงเร็วแล้ววันนั้นพอถึงเวลาที่จะออกขึ้นลูกไปเลยแน่ฟังสิเหมือนไม่นั่งตลอดุูกนี่นะ ถ้าวันไหนมันนั้นมันก็รู้เองจีิงเพราะมันเป็นบทเรียนมาแล้วถึงขนาดล้มแล้วลุกไปขึ้นมันลุกให้มันตายหมดแล้วเอาอะไรมาลุกนั่นมันก็เป็นบทเรียนที่เวลามันทุ่งมากมันก็รู้อ๋อวันนี้ยังไงก็แน่แล้วเวลาจะออกมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างว่ามันตายหมดแล้วเนี่ยหมดเลยฟังดิมันขนาดว่ามันตายหมดี่จับไม่รู้เลยนะเนี่ยเป็นเหมือนคำว่าคำสุดฟันมําขาดสะบัออกไปแล้วมันก็ไม่มีทุกเวทนาะคือมันหมดจริงจริงมันตายขนาดนั้น มันไม่กล้าพูดสิมันไม่รู้กล้าพูดได้ไงทั้งทั้งทิดที่มีอะไรนะเวลามันตายมันมันเป็นัแต่เวลามันฟาดกันหนักหกเวลามันหายแล้วมันก็เลยตายพอเยอะเดี๋ยวรู้ละเอาละวันนี้เป็นอย่างงั้นรู้แล้วเพราะมันเคยเป็นบทเรียนเนาะก็ต้องจะจับขาดึงออกเอาละที่นี่มาจับดูเฉยจริงจริงอ๋อแล้วกันจับดึงออกจับขานี่ดึงออกวาง จับขานี้ดึงออกวางเฮงรู้สิเหมือนก็บจับท่อนไม้ท่อนฝืนนะไม่รู้นะเราจับขาเนี่ยเฉยขาไม่มีรู้เลยเนั่นฟังดิเบววางไว้แล้วก็ปล่อยให้เลือดลมมันค่อยเดินของมันซะก่อนเราจะไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นบทเรียนมันรู้แค่นี้แล้วต่อไปมันก็ค่อยเลือดลมค่อยเดินของมันนะแล้วต่อไปก็ค่อยรู้แล้วก็เราเรากระดิกนิ้วเท้าลองดูกะดิกกระดิกได้ แล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้เอาที่ลูกได้นั่นถ้ามันยังกําหนดว่ากระดิกนี่มันยังเฉยยิ่งยาอย่าลุกลุกล้มตุ่มเลยนี่วันเช่นนี้คือวันที่ลาบากมากลงได้ยากแต่มันก็ลงเหมือนกันนั่นะถ้าลงไม่ถึงถึงขั้นอัศจรรย์เหมือนกันหมดเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วลงยากลงง่ายต่างกันนี่มันฟังที่มันก็ทําได้นะนี่ ร่างกายทุกส่วนเหมือนว่ามันจะมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนะมันเจ็บมัดเลยไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ว่าไม่เจ็บนะที่ดูที่ข้อมือน่นะมันต่อกันกี่ข้อเลยมันรู้หมดเลยก็ปีนั้นแหละปีพันสิบสิบนะปีห้มหนังมาอยู่นี่แหละปีที่มันเก็บเช่นกับจิตเสื่อมมันพอได้ที่แล้วนี่ฟัดกันใหญ่เลยสมใจน่าละ่ะโอ้สนใจจีิง เสื่อมไม่นานไดเสื่อมผอรู้สึกว่าเข้าได้บางมาได้บ้างเข้าสมาธิเพียงเท่านั้นเลยหมดไปเลยเข้าไปได้ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟนี่แหมร้อนอะไรก็ชู้จิตเสื่อมไม่ได้นะผ ม, มีร้อนขนาดนั้นนะอยู่เนี่อยู่มา ไ, ได้เลยแต่มันเรียนหนึ่งที่มันไม่ถอยตอนเรีถ้าถอยแล้วเสร็จนี่มันมีแต่มันจะเอาถึงเสื่อมมันจะเอาจนได้ปล่อยหมดวะมันเป็นปัญญาลมแล้ว ปล่อยหมดอ้างเสื่อมเจริญไม่ช่างเถอะวุฒโตวุฒโตไม่ปล่อยต้นก็เลยเจริญไงเจริญเอ้าจะเสื่อมก็เสื่มไปที่ไม่ใช่่อใจแต่เราจะไม้ปล่อยอย่างนี้สุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมแหนอ๋อมันเป็นพจน์ญารมนี่มันก็รู้พอมันได้ที่แล้วก็ถึงขั้นเก่าแล้วมันมันจะเสื่อมไม่เสื่อมทีนี้มันก็ไม่เสื่อมมันก็ยิ่งแน่นเขาแน่นเขาแน่นเขาแน่นกว่าเก่าอีกกว่าจะเคยเจริญแล้วเสื่อม กี่เป็นสมาธิแต่ก่อนว่าดีนะบาเวลามันขึ้นข่าวนี้มันยิ่งนั่นกว่านันอีกไม่เสื่อมอหเหมือนกับนักโทษที่อะไรมหันต์โทษเนี่ยถูกจองจำตลอดเวลาจิตเนี่ยเผลอไปไม่ได้จะเสื่อมนั้นต้องเราต้องตายเท่านั้นเอาตายเขาแลกกันเลยถ้าเราไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้จิตนี่ว่านั่นแหละมันฟัดกันคืน ตั้าแต่นั้นมาแล้วก็ฟาดจนหนักหนั ก, น ก, นกโอ้ยเหมือนกับว่ากัดฟันจะฟันจะหักนะถ้าจะเทียบนะมันขนาดนั้นนะจีบมันเด็ดของมันพอได้ที่แล้วเหมือนกับช่างขึ้นอะไรเขาเรียกตะพอกมันด้วยอะไรขึ้ขอกันนําเลยทีหลันีล้ก็ได้ขออ้อมาตรจย์ด้วยให้เห็นตะชัดยิ่งอัจจจันท์ที่เราไม่เคยเห็นมันเห็ น, นจากอริยาาสัจที่ว่าทุกลําบากมากมันได้ทุกคืนด้วยนะไห น, นลงอัจจจันท ร, ร์ยังนะ ลงจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือสัตว์แต่ว่านะแต่มันอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนั้นน่ะตรงที่ว่าสัตวานะ่ะอัศจรรย์จริงๆขาดไปหมดเลยโอ้โหโหอ้โหอัศจรรย์เพราะงั้นมันถึงไม่ถอยที่ทุกขนาดไหนอนนั้นมันเด่นกว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าทุกที่ไม่เกิดขึ้นในเวลาต่อสู้กันอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปอันน้ำหนักมากกว่าที่เอาตายก็ตายฟัดกันไง ผมมันเป็นคนหยาบเรานิสัยเราไม่ละเอียดเราอ่อกระบวนนิสัยกับวนารนิสัยยากผิดเพราะนั้นมันถึงได้ทําอย่างทุกขาปฏิวทาทันทาปัญญาถ้าว่ารู้มันก็รู้ได้ช้าแต่ความลําบากนี่แสนสาดที่เจอาลืมไม่ได้ล่ะเราทีนี้จะทําอย่างอื่นมันทําไม่ได้เนี่ยนี่มันก็เป็นเครื่องบังคับเจ้าของอย่างน่ะให้ทํามาเบากว่านั้นสบายกว่านั้นไม่ได้เนี่ยมันเอาบอกไว้ในตัวนี่แหละ พูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันหักลู่อยู่ในตัวเนี่ยอย่างอื่นมันไม่ได้มีจต์ฟัดกันฟัดกันีหวี่นเออที่นายอดหลังกูอังกิณะทำไมมินทำนะทำไมทำไมเพราะทุกวันนี้มันทําไม่ได้ความมุ่งมั่นก็ไม่มีกําลังใจไม่มีแล้วร่างกายก็ไม่ ม, ไมีกำลังแน่ว่าเอาอะไรไปสู้ นั่นมันกําลังใจมันโอ้มันพิรุกต์เกินนะก็คิดดูว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายโน่นน่นะกําลังใจที่ความมุ่งมั่นมันพุ่งจะเป็นจะตายขนาดไหนอันนี้มันไม่ได้ถอยพุ่ ง, งนี่ไงมันดึงนะก็เพียงเท่านี้มันก็โหมมาทุกขนาดไหนมันก็มันอยู่กับนน่นเลยที่จุดที่เราจะเอา <laughs> เก็เล่าไปเรื่ <laughs> ๆๆอยจุดจุดอรหันห <laughs> จะให้ได้เนี่ให้ได้เป็นบารสหานเนี่ยว่านี่ดูด่วนเนี่ว่แหมันก็กองมากกว่านิพานมีอยู่เนี่ยเราจะให้ได้นี่ยวะเป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องตายเท่านั้นวะมันเด็ดจริงๆนะถึงอัศจรรย์ดูพูดอย่างนี้ก็มันเหมือนกับว่าคุยมันไม่ได้คุยนี่มันเป็นจริงๆเวลาเป็นยใงหัวใจที่โถมันเด็ดจริงๆนะพูดอะไรไม่ถูกสมมติว่าเพชรมานี่ให้เคี่ยวเพชรนี่ก็บัเดียิเสร็จเลย ฟังที่มันเด็ดยิ่งกว่าเพชรถึงขั้นมันเด็ดมันเด็ดเด็ดึอันนี้มันมันลำบากทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะขั้นนี้ปีนั้นพูดยังไงนะลําบากมากที่สุดผมร่างกายนี่ลำบากมากใจก็ลําบากมากเพราะเอากันอย่างหนักอันนี้มันก็ไม่ไ ป, เ ป, เ, ปเป็นอีกตอนที่อัตโนมัติอันนั้นมันก็ถอยไม่ได้อีกแล้วในคดีเนี่ย แต่มันเป็นหนักทางจิตใจนอนอยู่มันก็เป็นทั้งมันนั่นน่ะร่างกายเรานอนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามเท่า่อยู่ก็ตามแต่กินไม่ถอยมันอย่างเนี้อันนี้ก็ถอยไม่ได้อีกว่ามันตื่นในท่าทายืนเดี่ยวเอาตัวใดเก่งเอามามาตรงนู้นอะเวลามันมันกล้าหาญมันฉาชัยมันรวดเร็วของมันที่พูดที่ว่าอันนี้ผมมันพูดไม่ถูกนะเราก็ะนำมาพูดได้เท่าที่พูดได้เช่นของมหาสตินะ ขนาดไหนเรียกว่ามหาสตินี่เวลามันฟัดกุบวิเิยะนี่มันความรวดเร็วของติดขั้นนี่นี่มันอัศจรรย์นั่นน่ะใครจะไปตั้ง ท, า, ทางทางไม่ทนันถ้ามันเป็นทีมันทันนะ่ะเนี่ยจะเรียกว่าอะไรมหาสติคือว่าไม่มีความเผลอเลยมหามหาปัญญานี่เออกระดุ้มกระหน่าจะเข้าก็ได้อนยะู่ะคําว่าฟังญญามหาปัญญาเป็นไงวะ เนี่ยถ้ามันวยมันก็เรียกก็าเไม่รู้หรือามหาปัญญาต้องมีอย่างนั้นจีมันก็พอฟาดพอฟาดกันได้แหละนะมันอะไรมันพูดเราพูดลงคาดว่ามหาปัญญามหาสติวปัญญาเหมือนอย่างว่าเราคาดนี่เวลามันเป็นมันมันมันมันมันไปกลึกกว่านั้นอีกนั้นนั้นทีเราว่านะแต่เวลาพอพราะว่าก็มหาปัญญาต้องมีอย่างนั้นที่มันก็เข้ากันได้เพราะคําว่ามหาปัญญามันครอบหมดนี่มหาสติมันครอบหมดนี่ก็ยกให้เสีย แต่มันพูดไม่ได้นะขั้นนั้นพูดไม่ได้แต่มันเป็นได้อย่างนี่ถ้าเรานํามาพูดตามความเป็นมันมันไม่ทันไม่ได้นะเพราะความรวดเร็วของกิตนี่ไม่อัศจรรย์นึกว่าออกอัศจรรย์นี่สิถึงได้รู้เรื่องของกิเลสนี่อัศจรรย์จริงไม่ใช่เล่นหนาว่ะพอไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ทันกันนะว่ะเวลาสติปัญญาทันมันมันถึงได้รู้กลงมันว่ามันละเอียดขนาดไหนนั่นน่ะเราเรียกพูดอย่างนั้นนะ เวลาถึงขั้นพันกันมันขนาดนั้นเนาะอย่งเงี้ที่เอามาที่เรียตัวไหนเก่งมาพอมามันขาดสะบันยิงอยี้มันเร็วขนาดนั้นะถึงเลยไปเลยถึงขั้นละเอียดถึงขั้นปัญญาละเอียดที่เรียนละเอียดมันยิบแยบตงไหนไหอ๋อที่ที่ก็ถ้าว่าหมุนเข้ามาตรงที่ว่ามีอยูไม่ต่อหลวงพุ่อยู่ที่ไหนนั้นมันจะพังเลยนะนะนี่มันไม่หมุนนี่นีมันเล่กคนอยู่นี่แค่ทําเพราะตี่ดูที่ถึงจะ เพียงขนาดนั้นที่เราหมุนมานั้นมันยังเป็นได้เนี่ยนี่ตอนนี้ตอนหมุนมันไม่นานเนี่ยนะบาเวลาหมุนเข้ามาอกินดวงเดียวนี่ทายยําไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเนี่ยเนี่ยลําพึงเนี่ยมันจะหมุนมันหมุนตรงนั้นอ่ะจะเลื่อเข้าหรือกินดวงเดียวนี่ทําไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเดียวว่าผ่องใสเดียวว่าเศร้าหมองอม เดยว่าสุกเดียวว่าทุกแต่มันเอาอันนั้นนะเอาละเอียดที่มันเป็นอยู่ในมันห้องสมุดน่ะน่ะเช่นว่าเศ้ามองนี่มันก็เศ้ามองในจิตที่ขั้นละเอียดละเอียดนั่นแหละให้เห็นอยู่นั่นแหะก็ปัญญามันทันของมันมันลุ้งมันตลอดเวลามันจะไม่ทันได้ไงก็ฟังตัวรู้ตอวเวลามันเผลอที่ตรงไหนเมื่อไร่วะมันนั้นลุกไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมานี่มันก็เป็นของมันอยู่แล้วหน้าที่ว่ามันไม่มีเผอมันก็ไม่เผออย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจนะมันเป็นของมันอยู่ตลอด จระทั่งหลับลงไปนี่เราเผลอตรงไหนนะวันนี้ไม่มีเลยนั่นฟังซินั่ น, น, น, นยังกล้าพูดได้ซิว่าสติปัญญาที่เป็นอัตโนมตัตินั่นแหละคือมหาสติปัญญามันเป็นอัตโนมัติอยู่จะว่าไงนี่มันเป็นเพียงไม่ย้อนเข้ามาถูกจุดที่ควรจะไต่กันไต่กันพอลำพึงทั้งนั้นแล้วทีนี้เริ่มแล้วนะาาเนี่ยไม่ให้งั้นแต่พูดถึงระยะที่มันลำพึงกันมันไม่ได้นานเน่ยถ้าจะเจาะจส ะ, สะ้องนานกว่านั้น จริงพราแม่ครูอาจารย์นางมีชีอยู่นี่มันก็ใส่ผึ่งเลยขาดสะบั้นเลยเหรอไหนนี่มันตื่นเงาไปอีกเสี้ยนที่เพราะว่ากินตรงเดียวทมมายยําไมมันเป็นได้หลายอย่างะนะเดี๋ยวว่าสุกเดี๋ยวว่าทุกเดี๋ยวว่าฟองใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองทำไมกินตรงเดียวมันเป็นได้หลายอย่างนะพอหว่างกับลำพึงนั้นแล้วกับหนึ่งจอ่อนิ่งคําว่าสุกก็ดีนะ ผุดขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับนั่นแหละคําว่าสุขก็ดีคําว่าทุกข์ก็ดีคําว่าเศร้าหมองก็ดีคําว่าป่องใสก็ดีทําสองเงอนนี้เป็นอนาตาหนะเท่านั้นนะ่ะนี่ไม่ได้นานทำทั้งสองเงอนคือสุขกับทุกข์ก็คือสุขกับ อ, อคือสุขกับป่องใสเนี่ยเป็นเงินหนึ่งก็เป็นสมมุติเหมือนกันแล้ว คำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีมันก็เป็นเงื่อนหนึ่งี่มันเป็นสองเงื่อนคือคือความเศร้าหมองกับความทุกข์นี่ก็เป็นเงื่อนหนึ่งความทุข ก, กับความผ่องใสก็เป็นเงื่อนหนึ่งเป็นสองภาคทำต้องสองเงื่อนเนี่ยฟังนีสองเงื่อนเงื่อนนี้เงื่อนนี่มันเป็นอนัตตานะถ้าคืนนี่รวบหมดเลยว่าเป็นอนัตตาพุทไนยจะจะพูดถึงว่าสี่อย่างก็ตาม มันก็เป็นหน้าตาหมดแล้วสองเงื่อนก็ตามก็เป็นหน้าตา ม, มันครอบงั้นเวลามันเป็นเป็นหน้าตานะตเท่านั้นมันก็ถึ่งเลยฮั่นไม่นานย้อนเข้ามาแล้วก่อนมีแต่รักษาอยู่นี่ฟาดต่างนี้ย้อนย้อนเข้ามาพราะมันทัดพอตัวแล้วจะไปจะละไม่ปรุงเป็นอาหารเฉยสักคนะปัญญาขั้นนี้พอตัว แต่ไม่ปรุงเป็นอาหารขั้นนี้พูดง่ายๆมันก็ไม่สาเร็จประโยชน์พอย้อนเข้ามาเท่านั้นมันก็ผึ่งเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าผองสายที่เดลักตะหงวนนั้นนะมันขาดตะบ้านเดียวกันนี่นะพร้อมเพิบตอนนี้มันก็นั่นแหละคือความนั่นแหละพูดง่ายๆที่มันเพิบขวกมันมันมันพลิกเหมือนกับว่าถ้าเทียบหรือเหมือนว่ามะพร้าวนี่กลาเดียวเนี่ยแต่มันออกเป็นสองหนอน ที่วัดทำสองเงื่อนเหมือนกับมาภาพเป็นสองหน่อยมันควาำ ม, มันหลงเพิ่บหลงแล้วไปเลยไม่อยู่ในนั้นเพิบหายเนี่ยไปหมดอะเพื่อวิชาพังวิชาดับความสว่างมันจว่าความปองใสเป็นวิชาน้าเจนเจีย ก, ก้าหูก็มันเห็นอย่างนั้นอยนู่ว่าไงทีนี้ความปองใสนั้นไปไหนที่ลักสมองเราใช้มากมายมันก็เท่ากับกองที่ค ว, ย, ควยกองนึ่งโอ้โถโถมันสะ ด, ดุดตรงเว็จิตโถขนาดนี้เดียวเหลือขนาดนี้เดียว ท, ท, ที่ที่สิ่งที่ถูกวความมองสายนี้กบเอาไว้นั้นพอธรรมชาตินี้พังลไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรนี่นั่นแดนพาศจันท์แล้กับกองขี้ควายฟังที่ทีนีตะกอนลากสมองในขนาดไหนเนาะพิเศษขนาดไหนแล้วมันกลับมากลายเป็นกองขี้ควายได้เมื่อเที่ยวกั บ, กบอันนั้นแล้วเนี่ยนั่นเด้ก็โถสรุดตรองเวทพูดจริงๆมันเป็นจริงอยู่ไง อ๋ขอข้อโง่โง่ขนาดนี้โอ้โหทำอยู่ไหนทำอยู่ไหนแบบกดสะพาบาทขึ้นเขาอยู่นั่นลงนี้ทำอยู่ไหนทำไหนก็ถูกที่แบบขึ้นไปนะั่นแต่ไม่ดูตรงนี้หนะ่ามันควรจะดูแล้วนี่นะ่ะความหมายว่างั้นนะแบบว่าไหนก็ไปหาทำแล้วทําอยู่ตรงไหน <c oughs> เวลามันเสือมันโดดนี่ได้ทิงมาทิ้งมาว้อตะปืนจสิ <c oughs> นี่มันก็เป็นความวัตจันทนั่นเ นี่ล้วที่ว่ามันย้อนว่าตัวเท่าหมูนึก็าตามมันเป็นก็ว่าแป้นจะเป็ น, ป น, ปนไรไม่รู้เกิด ค, ความมันข่อยน้อยสลิมสองเมตรตัวู่โถถูกขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้ใครจะไปรู้ได้ไดขนาดนี้แล้วมันถูกวิสัยที่โลกจะรู้ได้ไปส้อนใครเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยโอขนาดนี้จะเหลือไปส้อนใครเขาจะหาว่าบ้าแล้วอยู่ไปกินไปพอถึงวันตนนั้พอแล้วเนี่ยเนี่ยทำควงมข่อยน้อยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังเลย คุณไปเขจะหาว่าบ้านั่นสังเกแล้วก็ต่อมาไม่นานนะมันก็พลิก ป, ปั้บขึ้นมาอยู่ก็เมื่อว่าสิ่งที่เป็นว่าว่าเป็นสิ่งที่สูญพิเศษว่าโลกลูกไม่ได้แล้วเรารู้ได้ไงนั่นมันตรอนคออรู้ได้เหตุคนรูไ้ไปได้ถ้ามารู้ได้สว่าโลกลูกไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่รู้ได้แล้ ว, ลวเรารู้ได้ไงมันก็หนีปฏิบัติธรรมไม่ได้สิจริงอ๋อลู้ได้เพราะเห็นนั้นนั่นก็ปฏิ บ, าาบาัติมาแล้ก็เมื่อพูดปฏิบาาัติธรรมเรื่องราวให้ ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังแล้วเขาฟังแล้วทํำไมเขาจะรู้ไม่ได้เนี่ยก็ทางเข้ามาหาจุดนี้อันเดียวกันนี้นะเมื่อบอกทางแล้วมันมาไม่ได้มาน่ะก็คือปฏิบัติทาเครื่องรรดําเนินดาเนินเนะ่ยดังนั้นนะอย่างที่อธิบายไปแล้วปฏิบัติอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นอนยะ่างนั้น่ะคือว่าทางเดินเข้าไปหาจุดนั้นนั่นทีนมันึมันก็มีแก่ใจที่จะมีแก่ใจอ๋อรู้ได้เนี่ย ก็มีใจใจที่จะพูดได้สอนได้ล่ะทีนี้นั่นความหมายว่างั้นมันมีทางที่จะให้รู้อยู่ได้อยู่นี่เพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่นถ้ามันมีแต่นั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถนนทางไม่ได้เข้ามาเลยมันเป็นสุดจวิสูที่สสใสจริงจริเพราะว่ามันมันดูเห็นตั้งแต่นั้นทีแรกมันไม่ไม่ได้กระจายไปหาปฏิบัติธรรมก็ว่าสูที่ใสแล้วสิโถโหโถขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้ลงขนาดนี้แล้วนี่บอกเมื่อวันย้อนเข้ามาแล้วก็เมื่อ ว่เป็นสีที่สูงิสัยใครจะรู้ไม่ได้แล้วจะของรู้ใด้ไงหรือเรารู้ได้ไหนมันก็ไม่หนีปฏิปทาที่รู้ได้เพราะเหตุ น, น, หนั้นเห็นนั้นแน่นั่น ก, กระจายไปทิ้นี่แล้วมันจึงวิ่งถึงหลวงปู่เจ้าที่พระองค์ทรงทำฟองขวายน้อยผมคิดว่าเลยอะและไม่แน่แ น, น่ใจดเลยนะอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้ยไปดูถ้าเข้าจังๆแล้วก็คงจะเป็น <laughs> อย่างนีทรงทํา ความปัตนาเพื่อเป็นพระจัดเพื่อเป็นศาสดาสอนโลกก็เลยท้อพระไทยไม่อยากจะสอนไขแล้ท่านต่อมาก็สูงลําพึงไปก็นี่แหละก็ก็กลําพึงเรื่องปฏิบัติได้เองจากนั้นมันก็อ๋อได้ท่นก็จึงพิจารณาเนี่ที่เรกกับอย่างนั้นซะก่อนท้อพระไทยเมื่อปฏิบัติยําเข้าไปในวงปฏิบัติทางเดินเข้ามาหาจุดนี้แล้วอ๋อเนี่มันได้นี่แหละ ผู้ที่พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วมีนี่ผู้ที่พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วมีนี่ขอจะบอกทางนะ น, นั่นเพนะราะนั้นจังหวัดเบเมริกเวียนตาบเรีเซแต่ว่าซัดกัตรงนั้นซัดกับตรงนั้นนั่นแหละมาชมาวติปทาก็ใส่ผงเข้าไปนั่นคือ ท, ทางเดินก้าวเข้าไปพระรัญโกรณะก็ยังงงจิตจึม่ไสมัครใจตังโรธรรมถ้าเป็นภาษาปฏิบัติภาษารู ป, ป, ป, ปในทางใจแล้วเราไม่จะพูดตามที่ว่านะในประยะท่านว่า ยังจิต ส, สมุทรตะวันตกตะวัตังเรตอนสิ่งได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเัดเป็นธรรมดานี่เป็นคำบอกเราธรรมดาไม่ไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นอุทานนะอย่างที่พระอัญญาคนนี้ออกเป็นอุทานขึ้นมานี่มันจะมันจะต้องออกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดระดับทั้งนั้นนานถึงเลยเต็มหัวใจถึงใจแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับอุทานของ พระญาวยาวญาวาอาญาเชื่อตะโคกันอยูอาญาเชื่อตะกัอยู่พระญาคญาได้ยุ่งหรือหนอหรือหนอนี่ก็เป็นพระอุทานคุยเจ้าถึงพระไทยเหมือนกันเออนี่เป็นปฐมมาเลือกแล้วปฐมสาวกของเราพูดหรือไม่ว่างั้นได้พยานแล้วคุณยัง่ายนั่นมันถึงใจเหมือนกันคุยเจ้าก็ถึงพระไทยพระญาวยาวญาวก็ถึงใจเพราะรู้ขนาดนั้นไม่ถึงใจได้ยังไงมันต้องถึงไอ้เนี่เน่น่ะคําอุทานอย่างนั้นนะที่ว่าพูดธรรมนานธรรมนานไม่ถึงอย่างที่ว่าโปรเจลโปรเจบดานป่าใบานสายไม่ถึงใจ ออืของผู้ปฏิบัติข้าพเจ้าอาจารย์ว่าปฎิราชใบลานเต่าหัวหัวลนเต่าหัวล้านเต่ากินเปล่าตายเปล่าว่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยนั่นถึงไหมอ่ะฟังสิท่านูดอมาด้วยความรู้ของท่านเราจะเรียกว่าปฎิราชปฎิราชเฉยนั่นก็เป็นคำบรรยายธรรมดามันไม่จะเคลือนถึงกิเลสมันจะเคลือนถึงกิเลสไม่จะเคลื่อนถึงธรรมมันก็ไม่ฟัดกันสิเมื่อว่าหัวล้นเต่าหัวล้านเต่าเข้าไปแล้วกินเปล่านอนเปล่าตายถึงเปล่าหนึ่ง ใครจะอยากตายที่กระเป๋าเราใชเลมันก็คือการกกที่ใครจะหัวล้านกระเป๋าไม่หัวล้านกรป๋ามันเต็มบ้านเตเมืองอยู่นี่แนวเยมันเต็หัวล้านในธรรมที่ฟัดกันเถิดนั่นมันมีสิ่งที่กระตุกนีู่นะอุบายอุทานอย่างนี้เป็นอุท า, านเป็นอุบายกระตุกอี่เนี่ยมันต่างกันนะท่าปฏิบัติผมถ้าว่าผมไม่เรียนมาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแปลงสืออ่าเรียนก็ยกให้เรื่ปริยัตแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างงี้นี่ว่างไง ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าเอหีปฏจโกส้สิเนี่ยมันเป็นขึ้นมาในวงปฏิบัตินะไม่มีในปริยัติเอขาพูดทั้งว่าไม่มีไม่มีปริยัติถ้าแบบเอฮีปฏจโกนั้นน่ะสามารถที่จะเรียกคนอื่นให้มาดูได้ทําของจริงกว่า ง, งั้นแปลว่ามันนะเพราะมันก็มีอยู่ในสัพ์สับเอหินี่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรียนมันก็รู้อย่างเนี้เอหิีต้องต้องต้องต้องเรียกให้มา และบอกว่าท่านต้องมาดูทำของจีเนี่ยมันมีบางเครื่องบังคับใ ห, ให้ให้ว่ายอย่างนั้นอยู่ทางปริยัติเนี่ยเราก็เรียนมาเราก็ไม่ค้านแต่ที่นี่เวลาวงทางปฏิบัติขึ้นมามัไม่เป็นงนั้นนะความขึ้นมาอ่นนี้ว่าทำมันหมายก็ว่าทำพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัตินี้นั่นไม่ได้ไปหาเรียบร้องคนอื่นไหนนะทำพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติทำอยู่เวลานี้ให้ ย้อนจิตของท่านของหรือของเธอนั่นน่ะที่มันส่งไประยุงบ้าอยู่นั่นน่ะพูดง่ายๆว่างี้นะให้เข้ามาดูทำของอีกดูตรงนี้ใครเป็ น, ปนผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้พาปรุงพาแต่งให้ยุ่งอย่างวุ่นวายอยู่หลานี้ให้ย้อนเข้ามาผ ห, หมายก็ว่างั้นเอหีเอหนะีให้ย้อนเข้ามาปาิโกปาิโกจะเห็นหรือบ้องเข้ามาดูตรงนี้นะ่ะดูตรงนี้นะ่ะปาิโกปาิโกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาภาคปฏิบัติให้ย้อนจิตเข้ามาของท่านเข้ามาดูเนี่ยทำของจริงนี้อริยสั จิตมันเพิ่มันเพิ่มันยุ่งมันไปข้างนอกเลยล่ะถ้าทําท่านบอกท่านสอนเราว่าเอฮิท่านจงย้อนจินมันเข้ามาดูตรงนี้เอฮิจงเข้ามาตรงนี้ปฏิโกปฏิโกดูตรงนี้ดูตรงนี้นั่นมันเป็นง้นนั้เวลาภาพปฏิบัติอันนี้ไม่มีนั่นในปริยัตนะแต่มันมีในปฏิบัติจะว่าไงมันมีอย่างนั้นเลยมันรู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันผิดไปไหนถ้าผิดมันผ่านไปได้หรอ แล้วมันจะกระตุกหัวใจเราขนาดนี้พรือพอทอย่างนู้นมันก็ปึ๊บเข้าเลยนั่นเป็นไปได้ไหมสิพอทำแสดงอย่างนั้นมันตึงเข้ามานี่เลยเนี่ยจ้างที่านว่าท่า น, นยอ้อนกลเข้ามานี่ที่อยูดูตรงนี้ที่หรือวะนั่นมันก็เหมือนกับที่บ้านย่้งนละอย่างที่ว่าอะไรที่ทําแสดงขึ้นมาบางทีมีติดต่อผู้รูผู้ใดที่ไหนคือนั่นละคือตัวพบเ น, นีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็ คิดว่าสุข ก, ก็ดีว่าทุกข์ก็ดีว่าเศร้าหมอเขาเพราะอะไรก็ดีดดทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นหน้าตาหนาเนี่ยมันก็เหมือนกันถูดขึ้นมาเปนะ็นอนั้นนี่มันก็เหมือนกันผึ่งขึ้นมาเพราะว่าทําท่านสอนเนี่ยเพราะว่ามันได้สติเป้าประเดี๋ยมันก็ย้อนเข้ามาปึง่งเข้ามานี่เลยสับเคลหมดนั่นอย่างนั้นแล้วภาพพุทธิบารมีภาพพทธิยะมันมันไม่ได้เหมือนกันนะเวลารู้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ค้านะบริญาณยอมรับ แต่นั้นเป็นของท่านเนี่ยอันนี้เป็นของเราไม่ว่างั้งงนนะเออพฤติกรรมที่จํามานั้นเป็นสมบัติของผู้ทีเจ้าเราจำเอามาเป็นสมบัติความจําไม่ใช่สมบัติความจริงพอที่เป็นของเจ้าของได้ความจริงเนี่เป็นของเจ้าของที่ปฏิบัติขึ้นมาได้รู้ได้เห็นนี่เจ้าของนี่เป็นของเจ้าของนั่นความหมายว่างั้งงนนะเพราะมันถึงแตกต่างกันพอเอาแล้วขนาดยุ่นละยุุ่่นไม่สุ่นจะเป็นบ้าพูดไม่ดี <laughs> ปลาตัวไหลเนรตัวไหลเนี่ยเวลาเนี้ 39, ดูดิอยู่ประมาณนี้เปล่าล่ะพระมาเหล่านี่ยหลังไหลามาไหลามาทำไมไม่ออกไปคูบอกว่ารับไม่ได้แล้วเนี่ยใจว่างอะไรมาดื้อด้านอยู่ได้เลอพระแท้แท้ องไหนที่วิ่งกลับไปกลับมาอยู่นี่เหมือนหมาบ้านตัวองไหนมาอยู่อะไรวันนี้ไม่ใช่วัดบ้านนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยไล่ไม้ออกเนี่ยมันองไหนนะอุปชาไหนบวชมาจากไหนมันถึงไดมาดึ้มาด้น า, ดานนักหน า, นานเนี่หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ทําไมไม่ดีหนูวัดวัดพระมีธรรมวินัยนะ มาดื้อยู่แบบเลยโลกเข้าไปได้เลยมันอัดมันนั่นปัญหาที่ภาวนาไม่ได้เลยก็รู้กันอยู่นี่ใ้ให้ออกไปแล้วยังยิ่งกลับมาอีกมหาอะไรก็ให้ออกไปแล้ว น, นั่นฟังดีมันมาแล้วยุ่งทุกด้านทุกทางเลยนะมายัง ก, งกระทบกัะเทือนเรื่องการรับการถงอีกเลยยุ่งในวัดนี้ยุ่งไปหมด รับพระส่งพระแล้วโดดกับรถคันนั้นไปดวดกับรถคันนี้มากแอบัไปคันนั้นแอบมาคันนี้อยู่เนี่ยเขาลำคาญนดเดียี่ยไม่ได้ธรรมดานะมันต้องให้รับให้ส่งมายุ่งมาก่อความยุ่งยากทําไมพระกรรมฐานที่มาทุกจ้าอรมแล้วให้ไปนะอย่ามากรองกันอี้นะอย่าให้พูดหลายหนนะก็รับไม่ได้ก็บอกว่ารับไม่ได้แล้วอย่าพูดอะไรอีก พระพูดพระพระมีธรรมมีนัยไม่เหมือนโลกเขานี่คอยจะหลีกแผงหลีกอาญาอยู่อะไรยัวเย้ายัวเย้ยมาเวลาไหนยั่วเย้าเย้ยเต็มสลากนะคร่บข้างบนว่าข้างล่างดูแล้วมันดูไม่ได้นะคนเราเคยอธิบัตรมาอย่างไรอะ อันนั้นมันฝังฤทธิความสงัดวิเวกอันนี้มันสงัดอะไรมันหยิเวกอะไรเยอะแยะเยอะแยะทางหูทางตาเมันเรียกอะไรมันค่อยเหลวไปเหลวไปว่านอกจากไม่พูดเฉยๆก่อนเมื่อกี้ก็ทนเอาแต่พูดภาษาลวกๆว่าลำคาเนี่ยเขาว่าบ้าง อย่างเด็กเล็กเด็กน้อยอยันนี้เหมือนกันะมาเขามากเขามากเขาเลื่อนเลื่เทื่อไปอย่างนั่นนี่เลยกลายเป็นละครดูละครไม่เกีย่ไไยวอะไรวันนั้นม่อยาเล่นกับอะไรแล้วนะผมหดไปขนาดนั้นเนล่ยหดเข้าหดเข้าม่อยากเล่นกับอะไรแล้ว อ, อ, อ, อยู่ลําพังเรื่ของวันหนึ่งวันหนึ่งพอพอนี่พอดีอตอนกาลางวันกลางวันก็มัจกจะไปอยู่ทางกรมคอยสังเกตสัต์มาทําลายกัน เดี่ยวเมาลูกไก่เนี่ยนกกดก็มาเอาไข่ไก่มันออกมาเรื่อยได้ไล่มันเรยเพราะงั้นเวลาไปไหนจริงๆได้บอกบหมู่เพื่อนคอยไปด้อมไปมองมันมาวันนี้ก็ตะกวดตัวหนึ่งด้วยพุดอตะกวดมาเรายืนทุกคนนี้ยมันมาฟังเสียง เ, ยเสียงอะไรนี่วะมองมองไปมันเห็นตะกวดโอ้ตะกวดเนี่ยมองมามันมาจํากพวกนั้นเหร พอมาจากนั้นละเงียบไปเลยเอ๊ะมองจะดักหน้าว่ามันจะเลยนี่มันไม่เลยมันยังไงกันก็เห็นมันตั้งแต่มันกําลังมาจะขึ้นจังปวกเล็กๆจําปวกมองดูโอ้ตะกววัดนี่วะแล้วจะที่แรกเราจะไล่มันเพราะมันผ่านนี้ไปถึงจะไล่มันไม่ผ่านพอมาถึงนั้นละไอ้เงียบไปเลยเงียบถึงเงียบไปนานไม่เห็นผ่านเราก็เลยเดินไปดู เราลองคิดว่ามันแอบแอบอยู่นั่นมันอาจจะมองเห็นเราก็ได้เพราะเราเดินไปชงอกคอดูมันเดินไปดูดูก็ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นมันทงนั้นมันก็ต้องเข้าอยู่ในรูนี้แหละมันมีรูแน่แหละคงนี่หน่าวะเดินไปดูมีรูอ๋อมันเข้านี่หน่า่ะเดี๋ยวได้บอกให้เด็กอะไรไปขุดออกมาได้จริงจริงมันเข้าตรงนั้นมันไม่ผ่านออกไปนู่นมาถึงนั่นแล้วเลยเงียบไปเลย อันนี้ก็บไ ข, ข่ไก่ไม่มีเหลือนะโอ้ยหนูนี่กลัวมากนะพอเห็นตะกวดเดิเดนผ่านมานะค่อยเดินมานะหนูมันอยู่ตามใบไม้นะใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเต็มอยู่นั่นอนะ่ะมันไม่ได้ไปหาอยู่ที่อื่นนะมันอยู่ตามใบไม้นั่นพอเห็นตะกวดมานี่มันแตะคือคือไปโอ้ยไม่ทราบว่าวกี่ตัวนะหนูตะกวดมาตรงนั้นมันแตะคือคือคือไปนี่เดีหนูตัวเล็ก อ๋อมันอยู่อย่างนี้เองเนี่ยเพราะฉะนันกลางคืนมันถึงเสียงลั่นว่ะเพราะเราไปเดินยุกล ม, มีน้นกลางคืนมันโถถ้าเดินไหน้เรามักจะไปเดิมมนอยุกรมด้พอเย็นสบายหน่อยกลางวันเดินมันก็ได้มันร้อนมันทํำลายศรรัพท์ที่งๆตะกวดพอดีนี่เอาไปปล่อยที่วัดท่ามงเพง็งคใครไปปล่อยจ้าไอ้พ่อหมึกไปปล่อยก็ ไ, ได้ เขาปล่อยวัดท่าม ง, งเพลนมันกว้างไปปล่อยในป่าธรรมดามากนะเขาไปต้มทิงหมดเลยไม่มีเหลือต้องาป่าปล่อยใ น, นวัด่างท่าน้องกระโดดสีย่ำูมันกว้างมันอยู่ในป่าอันนี้ก็นี่แหละที่ว่าทาม ง, งเนมั น, ม, นมันทาให้เศร้าใจนะ ไปสถาที่ต่างๆดูสภาพของวัดของว่ามันเลยเป็นเกาะดอนนนั้ก็ค่อยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาย่นเข้ามาเนาะแล้วสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนพอได้หายใจนะมันหมดจริงๆนะความภาความเพียรดูจะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นนะเรื่องที่เป็นกิเลสนนะ่ะเป็นจุดที่สนใจ มันเป็นไปอย่างนั้ น, นะเดี๋ยวนี้ว่านุงไปดูนุ้งไปดูปดสลาดสมเขาเพิ่งตีคานมันตีคานตีขางอันนั่นก็เลยช่วยหมดเลยคนระัเพราะเห็นว่าที่จุดนั้นมันไม่มีกรรมฐานเลยแล้วก็เป็นป่าพอเหมาะดีไม่กว้างก็าตา ม, มนาออี่ก็พอดีไม่มีอะไรรบ ก, กวน นกแคนั้นก็ทุ่งนาทางโลกก็ยืนโน่นางหางแล้วเป็นรถประจำหมู่บ้านไม่ใช่รถทางใหญ่ก็จะเป็นที่สงันนดีไม่ดูหมู่บ้านก็จะพอไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรฮะก็ช่วยเยอะกลางวันไปแม้แอาหารของคนงานก็เราก็าไปให้กลางวันไงข้าวก็เอาปเป็นๆกระสอบก็สองนั่นนั่น วานนี่ก็เอาไก่ไปก็เลยยนะี่สิบสามตัวแล้ยไงผลผลไม้มันก็ได้ส้มมันก็มไปกุมภวาเนี่ไม่มีเลยนะต้องไปเอา น, น, นุ่นสะอาดนั้นก็ไม่ได้มากนุมได้เก้าวไดสิบกิโลไหก็นั่งก็เอาหมดเลยนี่ดังนั้นก็ผลไม้ละมุดอะไรบ้างก็ไม่ได้มากนะไม่ได้สนใจที่ต้องการทั้นี้ก็ สมุดเขากระบวนจะเสร็จแล้วมั้งเฉพาะค่าก่อสร้า ง, งเท่าไหร่นะ <c oughs> ไมไ่พูดแรงงานนะแางงานเป็นให้ตามพรไม่ตางผมเอาเองเินกดเจียนไม่ได้หรอกให้ขอรับความสงสารทํ า, า, าอะไรความสงสารมันมีอยู่ในนั้นในนั้นนะเขาโอ้เขาบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากานะร่างกายผมอย่งนี้เปลี่ยนไปมากรู้ในเจ้าของรู้ในเจ้าของ เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหูก็ชักยังไงอื้อ อ, อีอีอไปแล้วนะตอนเช่าเดินจงคมมไปบิดาบานนี่ก็หูมันก็อื้อไปใั้ยังานเสร็จแล้วมันกังหายนี่เมื่อคืนนี้มาเป็นแบบอะไรเหมือนกับเสียงฟ้าเสียงปืนอะไรดังต้นถามพระไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นทุกวันเนี่ยเป็นหลายนีย่หลายทาง